นุฟังค่ะฉันสรนนินาคพง์นะคะกับรายการสสนนีสนทนาค่ะท่านก็อยู่กับสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รอหและเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะมรลุษนทำขั้นสูงด้วยนะคะดังที่พระศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเป็นผู้ตื่นเช้าแล้วก็มีโอกาสแน่นอนอันนี้ที่ฉันแปลมาแล้วนะคะเราก็ดีใจไปแต่ดีใจเฉยๆว่าตื่นเช้าอย่างเดียวไม่ได้งอกงามโดยทำสักเท่าไหร่หรือว่าจะงอกต้องไปถาม พระจันทร์ไปบูนดูนะคะนมัส ก, การไงทั้งคะคุรียพาค่ะท่านไปบูนจากวัดปาดอนหายสูดรนธา น, นีแล้วลํำพังตื่นเช้าอย่างเดียวเนี่ยธรรมะเจริญได้ไหมคะคือตื่นเช้ามาทำอะไรใ น, นนี่คือต้องต้องถามตัวเองก่อนค่ะนะคือในกรณีที่พระพรุทธเจ้าพูดถึงในในยะนี้เนี่ยก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็คุณมีภารกิจในการทําอย่างเช่นว่าถ้าเป็นผู้บริหารงานบ้านเมืองก็ตื่นมาคิดเรื่องงานผู้ที่บริหารงานบริษัทก็ตื่นมาคิดเรื่องบริษัท เป็นพระสงค์ก็ตื่นมาทํากิจที่ควรทําของหน้าที่ในของตนเองค่ะคือมันจะได้มีเวลาเริ่มต้นก่อนมีเวลาคิดเรื่องราวเหล่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นมาแล้วฟังธรรมะอย่างรายการสันสานิสนัสานาเป็นต้นอย่างนี้นะได้ฟังท่านมักนําปฏิบัติมาตั้งแต่แรกเนี่ยยิ่งเพิ่มโอกาสให้เราแน่นอนในการที่จะพ้นทุกข์ได้นะคะก็ะอยู่ที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วทําอะไรบางคนนะคุณยมติวตื่นขึ้นมาแล้วนอนต่อ อาดาวางงมากมากเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูนาฬิกาแล้วก็นอนต่อดีกว่าอันนี้ <tra iner> ก็ เ, เป็นคนสุขภาพดีเเพราะว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บนอนต่อไม่ได้แล้วทั้งทงที่อยากนอนมีเวลานอนภารกิจไม่มีค่ะท่านใช่ใช่โดยเฉพาะท่านที่เริ่มสูงอายุน ะ, ะ่ยค่ะเขาบอกว่าจะเป็นกันมากนั่นแหละสินะนะคะเพราะนั้น ย้อนๆไปก่อนไหมคะสำหรับพวกที่ยังสุขภาพดีอยู่ได้ได้แต่ขอให้รู้กัเท่านั้นเองว่าท่านยังจะนอนในลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่ถ้าพระศาสด า, าได้ตรัสไว้ขนาดนั้นนะคะว่าไม่เคยได้ยินว่าคนที่ตื่นหลังพระอาทิตย์ขึ้นจะทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ใช่ท่านคะทีนี้มาถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคะ่ะดิฉันเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะ แยกแยะว่าเวลาของการปฏิบัตินี่คือปฏิบัตินั่งสมาธิเลยนะคะแต่พอเลิกนั่งแล้วก็ถือว่าเป็นเวลาทํ า, อ, าอย่างอื่นแบ่งเวลาให้กิดอย่างอื่นเลยเดี๋ยวค่อยถึงเวลาทําสมาธิมาทาทีหลังทีนี้ดิฉันจะมาตรวจสอบจากท่านแล้วนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองค่ะก็ได้พบนะคะว่าขณะปฏิบัติสมาธิมันก็ดี แต่ในขณะที่ดีดีมากแต่พอออกจากสมาธิไปได้ไม่นานเราก็เหมือนกับว่ามีอารมณ์ต่างๆนาน า, นา เช่นอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ย น, นะคะ ม, มีสิ่งมากระทบแล้วก็ทำให้เกิดมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในบางเวลาเนี่ย uh huh. มันทําไม ม, มันง่ายมันระงับยับยัง้งไม่ได้ไม่อยากจะระงับยับยัง้ง oh. อย่างนี้เนี่ยถือว่าไอ้ที่ปฏิบัติมาน่ะเสียหมดเลยหรือเปล่าครับ oh. เ, เพราะมีเพื่อนบอกว่าอู้ oh. อย่างนี้เรียกว่าทําไม่เจริญ oh. อ่อคือนี้เราต้องมีเกณฑ์ในการวัดได้อยู่ ค, คือโกรธเกลียดมุ่งร้ายเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าความที่จิตเรายังมีกิเลสอยู่คือถ้ายังไม่หมดร้อยเเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันมีมา แต่นี้มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดหรือว่าเราก็ต้องวัดว่ามันมามากหรือมันมาน้อยมันมาช้าหรือมันมาเร็วและนี่คือเกณฑ์ในการวัดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ก็คือวัดช่วงเวลาว่าเออเมื่อก่อนถ้าเขาว่าเราอย่างนี้นะเราจะโกรธไม่พอใจสักครึ่งวันเดี๋ยวนี้มันลดลงเหลือประมาณแค่3มชั่วโมงนี่นก็แสดงว่าคุณก้าวหน้าแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ก้าวหน้า บางคนเนี่ยชอบมักจะเข้าใจอย่างนี้อย่างนั่งสมาธิไปสัก60นาทีอย่างเงี้ยโอ้ยจิตใจฟุ้งซ่านทําไม่ได้เลยวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดถามว่าเป็นกี่นาที50นาทีเนี่ยอีก10นาทีนะทำได้แค่10นาทีเองแล้วเขาก็บอก <c oughs> ว่าเขาทําไปได้แต่คุณทําได้ตั้ง10นาทีนะเข้าใจไหมค่ะ <c oughs> แล้วพอมาวันต่อมาตอนเย็นมานั่งอีกทําได้11นาทีเหลืออีก49นาทีทําไม่ได้คุณดีขึ้น 10% นะค่ะแต่ถ้าคุณบอกโอ้ยไม่ทําละ หชั่วโมงฉันก็ไม่นั่งเพราะฉันทำไม่ได้จริงๆทําได้แค่สิบนาทีเราไม่ได้สักสินาทีเลยถ้าเราไม่ทำํำเพราะฉะนั้นเราจึงต้องวัดอย่างนี้นะเกณฑ์ในการวัดก็คือแค่ว่าเราดีขึ้นไหมดีนิดนึงก็เอานะอย่าตกไปเป็นอํานาจของกิเลสคือเพราะกิเลสเนี่ยมันจะฉุดให้เราไม่ทํา ค, นะคือมันไม่ต้องการตายในะกิเลสพนะอไม่ไม่ต้องการตายมันก็จะทําทุกวิถีทางให้เราไม่ปฏิบัติถ้าอย่างนั้นจะดีกว่า หรือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติหรือไม่ที่ควรทำคือให้มีสติอยู่ตลอดแม้กระทั่งเมื่อพ้นจากห่วงเวลาแห่งการปฏิบัตินั้นๆแล้ว<ม>ในการที่จะเ้าเรียกคะทำจิตให้มันเสมอเสมอคือเรื่องนี้เราต้องเข้าใจระดับขั้นของการปฏิบัติติ่งพระพุทธเจ้าเคยบัญญัติเอาไว้คือเคยพูดเอาไว้ว่าในสามในยะคือสามระดับไม่ใช่สามใยะสระดับคือเปรียบเสมือนทองเนี่ย เวลาเขากุดสินแร่ทองคําออกมาเนี่ยเขาจะต้องเอามาล้างก่อนนั้นะล้างก็ต้องล้างเศษอย่างหยาบออกไปอนะยเช่นเศษดินเศษหินอะไรอย่างห ย, ยาบๆออกไปนั้นะตะแกรงที่ใช้ล้างเนี่ยก็ต้องเป็นตะแกรงอย่างหยาบน้ําก็ต้องแรงนะการกวนก็ต้องแรงนั่นะนี่คือระดับที่1นึ่งพอกรองออกไปแล้วก็ต้องมีการกรองระดับที่2นะั่นคือกรองฝุ่นที่มันละเอียดเอียดขึ้นมาหน่อยระดับกลางนะัอันนี้ก็จะใช้พวกก้อนกรวดอย่างหยาบแล้วก็พวกทรายอย่างหยาบ พวกนี้เขาก็จะต้องล้างอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปกรองอย่างละเอียดคือพวกเศษกระลำพักแล้วก็พวกทรายอย่างละเอียดก้อนกรวดอย่างละเอียดก็จะมีพอกรอง3แบบแล้วเนี่ยล้าง3มรอบแล้วเนี่ยนะก็จะเหลือกรองทรายทองนะซึ่งก็ต้องเอาไปประกอบอยู่ในปากเบ้าเอาไฟเป่าให้มันหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเอารดน้ําฝาดออกไปเอาสนิมอย่างอื่นออกไปให้หมดจนกระทั่งเป็นเนื้อทองอ่อนนะควรแก่การงานของช่างทองอันนี้คือระดับของการ ปฏิบัติกับทองคำที่เราไปถลุงแร่เหมืองแร่มาจะต้องทําอย่างนี้เนาะทีนี้เปรียบกับจิตเหมือนกันจิตของเราเนี่ยต้องกรอง3ระดับเหมือนกั น, น, นคือระดับแรกเนี่ยเอาไอา้หยาบหยาออกไปก่อนข่า <c oughs> สัตว์ลักทรัพย์ผู้ผิดในกามมีมิจฉาทิฏฐิผูกโกรธพยาบาทนะข้ามพบข้ามชาติบางทีโกรธเป็น10บสปียังไม่หายพวกนี้เอาออกไปก่อน <c oughs> เนื้อกิเลสอย่างหยาบพวกนี้ทีนี้อย่างกลางคืออะไรอย่างกลางนี่คือบางทีเราก็ไม่ได้โกรธใครนะ เราก็ทํางานของเราเป็นปกติใช่ไหมแต่มันมีความคิดทางการเช่นว่าวันนี้ฉันอยากจะกินอย น, นี้เดีขับรถไปกินดีกว่านะเป็นความคิดทางการที่เกิดขึ้นบางทีคนพูดเห็นทีวีอย่างเงี้ยดูทีวีโอ้ยคนนี้พูดไม่ดีเลยรู้สึกมีความพยาบาทอันนี้เป็นกิเลสอย่างอย่างกลางค่นะหรือว่าบางทีเราเห็นคนนี้เราก็ไม่พอใจนึกอยากเบียดเบียนเขาอันนี้เป็นความคิดทางกามความคิดทางพยาบาทความคิดทางเบียดเบียนมันมีได้แต่ไม่ถึงกับไปฆ่า นะคือข้าเราไม่ทําแต่บางทีมันมีความคิดบ้าๆ บ, า บ, าบาอๆอะไรโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นกิเลสอย่างกลางเข้าใจไหมทีนี้พอกิเลสอย่างละเอียดคืออะไรคือเวลาที่เรานั่งหลับตาดูหนังตาเนี่ยนั่งสมาธิสังเกตเราหมายใจเนี่ยบันทีจิตมันไปแวบไปคิดเรื่องอดีตแวบไปคิดเรื่องอนาคตฟุง้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือ น, นิวรนามันดีง่วงด้วยนะบางทีก็รู้สึกขุ่นเคืองขึ้ น, นมาอะไรก็ไม่รู้ยุงมากัดเคืองนิดนึงก็เป็นนิวรนา เพราะนั้นระดับของความละเอียดมันก็จะเป็นระดับระดับไปจนกระทั่งจิตเราเป็นสมาธิแล้วนั่นน่ะเราวางสมาธินี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปนะตรงนี้การวางสมาธิได้การปล่อยวางสมาธินี่นะก็เป็นลักษณะาการที่เอากองทรายทองเนี่ยมาประกอบปากเบ้าและเผานะจนกระทั่งเนื้อทองเนะี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันสนิททองนั้นก็จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิม ไม่กลับไป<ะ>เป็นสินแร่ทองคาที่มันมีสองของสกปรกปนอยู่มากอืถ้าจะเปรียบไปเมื่อตอนที่เนื้อทองบริสุทธิ์มารวมกันจนเป็นประโยชน์ไปช่างทองจะเอาไปใช้ทํางานเนี่ยนะคะอืเท่ากับว่าอันนั้นบรรลุแล้วถูกไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับสภาวะทองใช่ใชมซึ่งบรรลุแล้วก็แล้วกันเลยไม่มีบรรลุแล้วจะตกลงมาขั้นต่ำอีกไม่มีแต่ว่าถ้าในระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ ยังไม่มาถึงตอนนี้แล้วมันเกิดอุบัติเหตุกลางทางอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามมคือถ้าใครไปเคยดูกระบวนการผลิตของเมืองทองเนี่ย ค, คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาเศษที่ล้างเนี่ยมาทําการล้างใหม่อีกคือรีไซเคิลว่างั้นเถ อ, อแะแต่เพราะว่ า, าจะมีเศษทองเหลืออยู่เขาเจะต้องล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกวนอยู่นั่นน่ะจนกระทั่ง ม, มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นวันจิตของเราเนี่ยแหละเราปฏิบัติอย่างหยาบปฏิบัติอย่างกลางปฏิบัติอย่างละเอียดทําไปทําไปในทุกระดับเลย เราจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะเนื้อทองก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะค่ะแล้วจริงหรือเปล่าคว่าหากพอพ้นออกจากสมาธิแล้วเราทนต่อสิ่งที่มากระทบสิ่งแวดล้อมที่มากระทบนะคะมไม่ได้แล้วเราก็มีปฏิกิริยาออกไปอันนั้นถือว่าเราผิดแล้วเราไม่ได้เอาพุ้ทวจรณะไปใช้แล้วคือเราต้องดูที่เวลาไงว่าเรามากน้อยเนื้อคือคือหมายความว่าช้าหรือเร็ว แต่ถ้าเราวางได้เร็วอันนี้ดีขึ้นแล้วถ้าเวลาที่เราตอบสนองไปเนี่ยเราตอบสนองเบาลงอย่างสมมตวิว่าเขาเคยมีงานวิจัยคุณยมติว๋วเขาเอาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมายืนคู่กันแล้วก็ยั่วให้ทั้งสองคนนี้โกรธแต่เราก็ให้ผู้หญิงเนี่ยด่าด่าคําที่ไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยแล้วก็ผู้ชายก็ด่าด้วยคือคือด่าไปคนละทางอะน ะ, ะประกากฏว่าผู้ชายเนี่ยสามารถด่าต่อกันเนื่องกันโดยใช้คําไม่ซ้ํากันได้หนาทีผู้หญิงทําได้ยี่สิบเจ็ดนาทีโ อ, อ คือในช่วงเวลาตรงนี้หมายความอะไรหมายความว่าเวลาระด่าเนี่ยเราอาจจะด่าน้อยลงและด่าด้วยคำที่ไม่รุนแรงเท่าไหร่ แ, แสดงว่าเราควบคุมได้ระดับหนึ่งมันก็ยังดีขึ้นอ่ะเข้าใจไห ม, มแต่ที่กำลังจะถามต่อนะคะแล้วก็ก็มีคำแนะนำบอกว่าวิธีที่ถูกเราจะต้องพิจารณาให้เป็นเรื่องของผัสษะมันไม่มีใครว่าเราไม่มีใครมาพูดให้ขัดถูเรา มันต้องเป็นไปนในแนวทางนี้ไหมคะการพิจารณาทำทันไหมละ่ะค่ะคนปกติเนี่ยส่วนใหญ่พอฟังแล้วมันจีตเลยค่ะมันจีตเลยจีตเลยเนี่ยหมายความว่าเราโกรธทันทีโกรธแล้วสวนทันทีค่ะแล้วนะเราไม่มีสติสมัมปชัญญะในการที่จะอดกลัน้นหรือว่าปิดกั้นไดนะ้แล้วถามว่าคุณจะอดกลัน้นปิดกลั้นได้นี้ทําได้ยังไงเอาคุณจะต้องมีจิตมีกําลังนะไม่ให้ไหลไปตามนั้น ซึ่งก็เลยไอายการที่เราบอกว่าเออพิจารณาแค่ผัรษาเป็นเรื่องที่มากระทบเนี่ยเราทําได้ตอนเรานั่งหลับตาต่นนั้นแหละแต่เวลามันกระทบจริงๆเนี่ยโอ้โหมันมันไวยิ่งกว่าอะไรดีค่ะ อ, อาจจะมีมีคนที่ถามแย้งอยู่ในใจนะคะท่านอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะมีสติสเสียมันถึงได้เกิดการโต้อตอบคือมีความรู้สึกว่ามันต้องอธิบายอมสมมตินะคะใช่แต่อธิบายในขณะที่อ่าก็ยังอยู่ในพายุเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะอธิบายด้วย อารมณ์ที่แรงหน่อยอแต่เหตุผลที่อธิบายเนี่ยอธิบายเพื่อสิ่งที่ดีนะคะคือเหมือนกับถ้าไม่ชี้เหตุผลในตอนนี้คือมีเหตุผลมารองรับน่ะเป็นคําอธิบายความพยายามให้เหตุผลหรือบางคนบอกเป็นการแก้ตัว อ, อันนี้จะจัดได้ว่าอยู่ในหมู่ที่ไม่ได้ถึงขนาดไม่มีสติสัมปชัญญะหรอคะคือมีสติอยู่แต่ยังปล่อยวางไม่ได้คือสติเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามีในนิวรณ์ก็ได้นะมีในสิ่งที่เป็นอกุศลก็ได้นะ เพราะนั้นเรารู้อยู่ว่าเรามีจิตที่ไม่ดีมีจิตที่เป็นลบเนี่ยแต่เรายังปล่อยวางไม่ได้แสดงว่าสมาธิคุณยังไม่ดีค่ะเหมือนกับไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวแต่เป็นการตั้งใจว่ามันจะต้อง ม, ม, ม, มันมันจะทําเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคือเหมือนกันว่าเพื่ออธิบายไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดการทําซ้ําอย่างเนี้ยค่ะอันเนี้ยในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เราจะถือว่าอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ ก็ดีระดับหนึ่งคุณจอมติวดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีที่สุดคือหมายความว่าคุณมีสติคุณดีแล้วแต่ถ้าคุณมีสติแล้วคุณปล่อยวางได้ด้วยนัแหม่ดีเลิศเพราะว่าในกรณีนั้นถ้าเราตอบสนองไปมันจะมีอะไรดีขึ้นมาล่ะเอาน้ําเชี่ยวไปเอาเรือขวางใช่ไู้เรามาบอกตอนที่เออทุกคนเข้าใจกันดีมีสมาธิแล้วก็กุยกันได้รู้เรื่องจะดีกว่าตรงนี้ตรงนี้คือความข่มบังคับใจ ค่ะท่านคะทีนี้อสําหรับคําถามทั้งหมดที่ได้กราบเรียนถามท่านไปเวลามันก็เหลือน้อยนะคะที่ทนอยากจะให้จบในสัปดาห์นี้สําหรับเรื่องนี้อยากจะให้ท่านช่วยกรุณาให้ธรรมะเปิดธรรมสรุปในช่วงท้ายนี้ค่ะว่าในการปฏิบัติของเราอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นขั้นๆนะนะยากก็มีนะอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีกระทบทวนให้ฟั ง, งตรงนี้ว่าของหยาบๆเนี่ยคือเรื่องศีล น, นะศีลเนี่ยคุมกายกับวาจาของเรา <c oughs> นะกฎหมายบ้านเมืองเขาก็คุมด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะคุมเรื่องศีลเพราะฉะนั้นเราตื่นเช้ามาฟังธรรมเป็นคนที่อยู่ในร่องในรานไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยแสดงว่ากิเลสอย่างหยาบเนี่ยคุณพอจะควบคุมได้แล้วดีแล้วแล้ว <c oughs> นะเรามาปฏิบัติในเรื่องกิเลสอย่างกลางกับกิเลสอย่างละเอียดดีกว่าในกิเลสอย่างกลางก็คือความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนความคิดในทางกามเราพยายามที่จะมีสติเอาความคิดเหล่านี้ออกไปซะ นะโดยการที่มันจะเกื้อกูลกันถ้าเราตื่นเช้ามาสัก10นาทีนั่งสมาธิก่อนนอนสินาทีเรานั่งสมาธินะ่ะมันจะเกื้อกูลกันตรงนี้ทําให้จิตของเราเนี่ยสามารถจะปล่อยวางได้นะปล่อยวางความคิดที่ไม่ดีได้เราก็จะทจําจิตของเราให้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นได้ค่ะอันนี้กิเลสกลางใช่แล้วก็อย่างละเอียดเนี่ยเราก็ค่อยยืดเวลาจากที่เราตื่นก่อนสมมุติเราตื่นตีห้เนี่ยเราตื่นสักตีสี่ห้าบซะ นั่งสมาธิสักสินาทีสินาทีแล้วก็มาต่อด้วยช่วงของท่านมาร์กตอนนอนเรานอน5้าทุ่มใช่ไหมเราก็ไปนอนสัก5้าทุ่มสิซักนะมานั่งสมาธิอีกสักสินาทีแล้วช่วงเวลาตรงนี้เราก็ค่อยเพิ่มไปเป็น20นาทีเช้าเย็นเป็นครึ่งชั่วโมงเช้าเย็นอันนี้เราก็จะเพิ่มในการฟอกจิตของเราอย่างละเอียดขึ้นมาได้ค่ะก็เท่ากับว่าท่านพิบุลทิ้งท้ายไว้เป็นเรื่องของวิธีการใช่ไหมคะที่จะปฏิบัติต่อกิเลสที่ท่านบอกว่าถ้าแบ่งเป็น3ลักษณะ จะต้องปฏิบัติกันอย่างไดใช่ใช่ก็คิดว่าอย่างหยาบในคงรู้ก็ไปหมดแล้วเลยบอกในสิ่งที่เป็นกิเลสหยาบอย่างน้อยอย่างกลางกับอย่างละเอียดอย่างกลางกับอย่างละเอียดมากขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านมีวันหยุดนะคะท่านก็ลองเริ่มต้นทำกันเต็มเตมที่เลยคือความคิดทางการพยาบาทเบียดเบียนนะคะก็ให้ลดลงใช่ ก็คุมเอาไว้แล้วก็นั่งสมาธิจะเป็นการเกื้อกูลการกําจัดกิเลสอย่างกลางส่วนเมื่อมาถึงละเอียดเนี่ยนะคะก็ให้ตื่นให้เร็วขึ้นให้นอนให้ช้าลงทีละนิดเพิ่มเวลาในการที่จะมีโอกาสที่จะไปถึงความละเอียดนั้นใช่ ใ, ชใชแล้วก็ในความละเอียดตรงนี้ในเรื่องของความคิดทางการปฏิบัติเบียดเบียนเนี่ย<ๆ>ก็ก็แค่ว่ามันต้องทุกอิริยาบถส่วนเรื่องในการละกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยคือเวลานั่งสมาธิหลับตา <ใ> ค, คือจะมีการฝึกทั้งที่เป็นทุกเยานิยบท ก, บการฝึกทั้งที่เป็นรูปแบบขนาด น, นี้สรุปแล้วท่านห้บูรว่าให้ทำทั้งวันให้มีสติอยู่ให้ได้ตลอดเวลาใช่ใช่นะคะต้องเลยในที่ละเอียดนั่นคือนั่งเป็นเรื่องเป็นราวเดินจงกรมถือว่าเป็นส่วนไหนคะอาจารเดินจงกรมก็คือการปฏิบัติโดยอีรีบทเดินเข้าใจค่ะแต่หมายถึงว่าจัดว่าในส่วนของการที่จะกําจัดกิเลส ด้วยวิธีแบบละเอียดใช่ไหมคะเอ่อได้ทั้งสองอย่างคือถ้ามีความคิดอันเป็นอกุศลการปฏิบัติเบียดเบีย น, นขึ้นมาเราละนั่นก็เป็นการละด้วยอิริบดเดินใช่ไหมการเดินนั้นก็จะเป็นการฟ อ, อกกิเลสอย่า ง, อ ย, างอย่างกลางถ้ามีนิวนรณ์โผล่ขึ้นมาแล้วเราละได้ก็จะเป็นการฟ อ, อกกิเลสอย่างละเอียดค่ะนะคะนี่ก็เป็นสาระเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามพุทธวจนะ ของพระศ า, าสดาที่ท่านอาจารย์ไับูลอภิปุโ น, โนนะคะวัดป่าดอนไฮโสดอนธานีได้นําออกมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะ ก, กันในวันนี้นะคะรายการสันสนิสนานาต้องนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะเรียนบานค่ะท่านฟังที่เคารพคะเราจะมาพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ราคาตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะส่วนพระอาจารย์ภับูลนั้นท่านก็มีเวลาของท่านอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ท่านฟังกันทุกวันด้วย ก็โปรดคอติดตามรับฟังก็แล้วกันนะคะวันนี้เราฝากกันเอาไว้ด้วยการที่ใครที่ไม่เคยปฏิบัติท่านก็ลองดูส่วนปฏิบัติแล้วเกิดผลกับตัวท่านอย่างไรนะคะท่านจะมาเล่าสู่กันฟังก็ได้หรือว่าท่านจะอุบอาไว้ไม่บอกใครฝึกต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็สุดแท้นะคะแต่ที่ฉันเชื่อว่า ทำแล้วมันก็ได้ผลของการที่ท่านลงมือทาอย่างแน่นอนค่ะรายการสัสนีสนทนานะคะเรามีหนังสือพุทวจนะแจกให้ท่านวัน ล, ละสามเล่มซึ่งพระอาจารย์ คอกฤิโสติพโลท่านเจ้าวาดวนาประพงลำลูกกาคลองสิบ ท, ที่ธนมาชาคาวโรอยู่เนี่ยนะคะมอบให้กับพวกเราเรื่อยมาทุกวันวันละสามท่านท่านละหนึ่งเล่มค่ะ0 2 2 6 9 0 0 0สส่วนท่านพปบูลนั้นนะคะท่านส่งคำถามกันไปเลยคะ่ะที่พิโยธาค m มหนึ่งศดิฉันสันตนิณ่า พ, พงษ์จะกลับมาพบกับท่านพร้อมกับรายการนี้ใหม่ในวันจันทร์นะคะพุทธวันสวัสดีค่ะ